ธรรมบทแปลเรื่องพระราธะเถระภาคที่สี่เรื่องที่หกสิบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรารพท่านพระราธะตรัสพระธรรมเทศนานิว่านิทีนังวะปะวัตตารังยังปัดเสวัชทัสสีนังนิคัยหะ วาทิงเมทาวีตาทิสังปันทิตังพระเชตาทิสังพระชะมานัสสะเสยโยโหตินะปาปิโยแปลว่าบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใดใดที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำกนาบอยู่ร่ำไปนั่นแหละว่าเป็นเหมือนผู้บอกคุมทรับให้พึงครบ ผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อครบท่านผู้เช่นนั้นมีแต่คุณอย่างประเสริฐไม่มีโทษเลยตอนพระราธสูบผอมเพราะไม่ได้บวชได้ยินว่าพระราตานั้นในเวลาเป็นเครือขัดได้เป็นพรามตกยากอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาคิดว่า เราจะเลี้ยงชีพยอยู่ในสำนักของภิกษุทั้งหลายดังนี้แล้วได้ไปสู่วิหารได้ย่ากวาดบริเวณถวายวัตถุมีน้ำลางหน้าเป็นต้นอยู่ในวิหารแล้วแม้ภิกษุทั้งหลายก็ได้ให้การสงเคราะห์แก่เธอแต่ก็ไม่ปรารถนาจะให้บวชราธานั้นเมื่อไม่ได้บวช จึงสู้ผอมแล้วตอนราธะพรามมีอุปณิสัยพระหรหันพ์ภายหลังบันหนึ่งพระศ า, ศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งท ด, ดพระเนตเห็นพรามนั้นแล้วทรงใกรครูนอยู่ว่าเหตุอะไรน้อและได้ทรงทราบว่าราธาพรามนั้น จะเป็นพระอรหันต์ในเวลาเย็นเป็นเหมือนเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จไปสู่สำนักของพราามนั้นแล้วตรัสถามว่าพราหมเธอเที่ยวทำอะไรอยู่เขากราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทำวัดปฏิบัติคือข้อวัดงานประจำต่างต่า ง, างแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่รพระชจ้าข้าพระศาสดา เธอได้การสงเคราะห์จากสำนักของภิกษุเหล่านั้นหรือได้พระชก้าข้าพระองค์ได้เพียงแต่อาหารแต่ท่านเหล่านั้นไม่ให้ข้าพระองค์บวชตอนพระสารีบุตรเป็นผู้กตัญอยู่กตาเวทีพระาศาสดารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนั้นแล้วตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายใครใครระลึก ถึงคุณของปรามนี้ได้มีอยู่บ้างหรือพระสารีบุตรเทระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าข้าเมื่อข้าพระองค์เที่ยวบินดบาตอยู่ในกรุงราชกฤชปรามนี้ให้คนถวายภิกษาทัพีหนึ่งที่เขานํามาเพื่อตนข้าพระองค์ระลึกถึงคุณของปรามนี้ได้เมื่อพระาศาสดาตรัสว่า สารีบุตรก็การที่เธอเปลื้องพราหมณ์ผู้มีอุปการะอันกระทําแล้วอย่างนี้จากทุกข์ไม่สมควรหรือท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลขึ้นว่าดีละ่ะพระเจ้าข้าข้าประสงค์จะให้เขาบวชนังนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงให้พราหมณนั้นบวชแล้วตอนพราหมณ์บวชแล้วเป็นคนว่า ง, ง่าย อาสนะคือที่นั่งสุดท้ายในโรงฉันย่อมถึงแก่ท่านท่านลำบากอยู่ด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยากูและพัดเป็นต้นพระเทระสาริบุตรจึงพาท่านหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วกล่าวสอนพร่ำสอนท่านหนึ่งเนียงว่าสิ่งนี้คุณควรทำสิ่งนี้คุณไม่ควรทำเป็นต้น ท่านพระราธะได้เป็นผู้ว่าง่ายมีปกติรับเอาโอวาทโดยกครพแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติตามคำที่พระเถระสารีบุตรพร่ำสอนอยู่โดยสองถึงสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระราัแล้วพระสารีบุตรเถระพาท่านพระราธะ ไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งลำดับนั้นพระศาสดาทรงธรำปฏิสันถานกับท่านแล้วตรัสขึ้นว่าสารีบุตรอันเตวาสิก ค, คือลูกศิษย์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายแลหรือท่านพระสารีบุตรอย่างนั้นพระเจ้าขาเธอเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกินเมื่อโทษไรๆ ที่ข้าพระองค์แม้กล่าวสอนอยู่ไม่เคยโกรธเลยพระชจ้า้าพระศาสดาสาริบุตรเธอเมื่อได้สัตวทีวิหาริเห็นบานนี้เธอพึงรับได้ประมาณเท่าไหร่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงรับได้แม้มากทีเดียวพระชาา้าขาปลายหลังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าได้ยินว่า ท่านพระสารีบุตรเทระเป็นผู้กตัญญูกตาเวทีระลึกถึงอุปการะสักว่าภิกษาท พ, พีหนึ่งให้พรามผู้ตกยากชื่อราธาบวชแล้วแม้พระราทานั้นก็เป็นผู้อดทนต่อโอวาทย่อมได้ท่านผู้ควรแก่ให้โอวาทเหมือนกันแล้วตอนพระาศาสดาทรงแสดงอลีนะ จิตตะชาดกพระศาสดาส่งสดับกาถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการกร่อนสารีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเหมือนกันนั่นนี้แล้วจึงได้ประกาศความนั้นราอลีนะจิตตะชาดกในทุ ก, กันิบัต ให้พิสดารด้วยกาถานี้ว่าเสนาหมูใหญ่อาศัยเจ้าอาลีนะจิตตะกุมานราเริงทั่วกันแล้วได้ให้ช้างจับพระเจ้าโกศลทั้งเป็นผู้ไม่พอใจด้วยราชสมบัติภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัยอย่างนี้เป็นผู้มีความเพียรอันบรารบแล้ว จะเดินกุศลธรรมอยู่เพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะปึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยตทั้งปวงโดยลำดับดังนี้ได้ยินว่าช้างตัวหนึ่งเที่ยวไปตัวเดียวรู้อุปการะพี่พวกช่างไม้ทำแล้วแก่ตนโดยภาวะคือทำเท้าให้หายโรค แล้วให้ลูกชางตัวขาวปลอดในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรแล้วตอนภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายอย่างพระราธะพระาศาสดาครันตรัสชาดกกรารบพระสารีบุตรเถระอย่างนั้นแล้วทงรงปราบพระราธะตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนราธะแม้อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธอันหนึง่งควรเห็นบุคคลผู้ให้โอวาทเหมือนบุคคลผู้บอกขุมทรัพย์ให้ฉะนั้นนั่นนี้แล้วเมื่อจะทรงเสือปนุสนทิแสดงธรรมจึงได้ตรัสประกาศานิว่า บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใดซึ่งเป็นผู้กล่าวปรามชีโทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกคุ้มซับให้พึงคบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อคบท่านผู้เช่นนั้นมีแต่คุณอย่างประเสริฐไม่มีโทษที่หลามกบาลีว่านิทีนางวะปาวัตตารังยั่งปัดเส วัชทั ส, สินังนิคัหหะวาทิงเมธาวิงตาที่สังปันที่ตั่งพระเชตาที่สังพระชะมานัสสะโยโยโหตินะปาปิโยก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านิทีนังวะหมายถึงกุมทรัพย์ได้แก่หม้อแห่งขุมทรัพย์อันเต็มด้วยเงินทองเป็นต้น ซึ่งเขาฝังเก็บไว้ในที่นั้ น, น, นคำว่าปะวัตตารังแปลว่าผู้บอกคือเหมือนอย่างผู้ทำความอนุกรหคคนเขียนใจซึ่งเป็นอยู่โดยฝืดเครื่องแล้วชักชวนว่าท่านจงมาเราจะชี้อุบายเลี้ยงชีพโดยสะดวกแก่ท่านดัง น, นี้แล้วนำไปยังที่คุมทรัพย์แล้วเยียดมือออก บอกว่าท่านจงถือเอาทรัพนี้เลี้ยงชีพตามสบายเถิดก็มีนิชัยในคำว่าวัชทัสินังแปลว่าผู้ชี้โทษหมายถึงภิกษุผู้ชี้โทษมีสองจำพวกคือภิกษุคอยแสหาโทษด้วยคิดว่าเราจะคมภิกษุนั้นด้วยมารยาทอันไม่สมควรหรือด้วยความพลังพลาดอันนี้ในท่ามกลางสง ดังนี้นี้จำพวกหนึ่งและภิกษุผู้ดารงอยู่แล้วตามสภาพด้วยการอุ้มชูด้วยการแลดูโทษนั้นๆเพื่อประโยชน์จะให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อต้องการจะได้ตามถือเอาสิ่งที่รู้แล้วเพราะความเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแห่งคุณมีศีลเป็นต้นแก่ผู้นั้นอีกจำพวกหนึ่ง ภิกสุจำพวกหลังนี้พระผู้มีพระบ้าเจ้าทรงประสงค์ในคำว่าผู้ชี้โทษคือวัชชทัศนังนี้คนเข็นใจถูกผู้อื่นคุกแามก็ดีตีก็ดีชี้ขุมทรัพย์ให้ว่าแก่จงถือเอาทรัพย์นี้ย่อมไม่ทำความโกรธมีแต่ปราโมีอย่างเดียวฉันใดเมื่อบุคคลเห็นปานดังนั้น เห็นมารยาทมีบังควรก็ดีความพลังพลาดก็ดีแล้วบอกอยู่ผ eh ู้รับบอกไม่ควรทำความโกรธควรเป็นผู้ยินดีอย่างเดียวฉะนั้นควรปรารถนาทีเดียวว่าท่านเจ้าค่าท่านผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์เป็นหนุปประชาของกระผมแล้วสั่งสอนอยู่กระทําแล้วซึ่งการบัรยายแม้ต่อไป ท่านพึงโอวาตกระผมดังนี้คำว่านิคัหะวาทิงแปลว่าผู้กล่าวปรามหมายความว่าก็อาจารย์บางท่านเห็นมารยาทอันมีบางกวนก็ดีความพลังพลาดก็ดีของพวกสิทธิ์มีสัตย์ที่วิหาริกเป็นต้นแล้วไม่อาจเพื่อจะพูดด้วยเกรงว่าสิทธิ์ผู้นี้ อุปตากเราอยู่ด้วยกิจวัตรมีให้น้ำบ้วนปากเป็นต้นแก่เราโดยกรบถ้าเราจะว่าเธอไซน์เธอจะไม่อุปตากเราความเสื่อมจากมีแก่เราด้วยการอย่างนี้ดังนี้แล้วย่อมหาชื่อว่าเป็นผู้กล่าวปรามโม่เธอผู้นั้นชื่อว่าเรี่ยายอยากเยื่อลงในศาสนานี้ส่วนอาจารย์ใด เมื่อเห็นโทษปัานนั้นแล้วคุกคามประนามลงทันกรรมไล่ออกจากวิหารตามสมควรแก่โทษให้ศึกษาอยู่อาจารย์นี้ชื่อว่าผู้กล่าวบรมแม้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่าอา น, นุนเราจะกล่าวข่มแล้ว คมอีกอานอนท์เราจากยกย่องแล้วยกย่องอีกผู้ใดเป็นผู้มีสาระผู้นั้นจะดำรงอยู่ได้ก็คำว่าเมตาวิงแปลว่าผู้มีปัญญาคือผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมคำว่าตาที่สังแปลว่าผู้เช่นนั้นหมายความว่าบุคคลพึงคบ คือพึ่งเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตเห็นบ่านั้นเพราะเมื่ออันเตวาสิกคบอาจารย์เช่นนั้นอยู่คุณอย่างประเสริฐย่อมมีโทษที่ลามกย่อมไม่มีคือมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเสียในที่สุดแห่งธรรมเทศนาชนไปนันมากบรลุเรียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหล เรื่องพระราธาเยระจบนิทานชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตรอลีนะจิตตชาดกในอดีตการครั้นเมื่อพระเจ้าปรมทัศ์สเสบยราชสมบัติในกรุงพรารณสีได้มีบ้านช่างไม้อยู่ไม่ไกลจากกรุงพรารณสีพวกช่างไม้ห้าอคน อาศัยอยู่นะที่นั้นพวกเขาเดินเรือขึ้นเหนือน้ำแล้วพากันเข้าไปในป่าตัดฟันไม้เครื่องสร้างปราสาท ต, ต่างชนิดมีพื้นชั้นเดียวและสองชั้นเป็นต้นณนะที่นั้นเองแล้วทำเครื่องหมายไว้ในไม้ทุกชิ้นตั้งแต่เสาเป็นต้นไปขนไปยังฝั่งแม่น้ำบรรทุกเรือ ล่องมาถึงพระนครตามกระแสน้ำผู้ใดต้องการเรือนชนิดใดก็สร้างเรือนชนิดนั้นแก่ผู้นั้นแล้วรับเอาค่าจ้างกลับไปขนเรื่องเรือนในที่นั้นมาอีกเมื่อเขาหาเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนี้คราวหนึ่งเมื่อเขาตั้งค่ายฟันไม้อยู่ในป่าในที่ไม่ไกลนัก มีช้างตัวหนึ่งเหยียบต่อตะเขียนเข้าต่อได้แทงเท้าช้างเข้ามันเจ็บปวดเป็นกําลังเท้าบวมกลัดหนองช้างได้ทุกขเวทนาแสนสาหัสช้างได้ยินเสียงตัดฟันไม้ของพวกช่างไม้จึงคิดในใจว่าเราจะอาศัยพวกช่างไม้เหล่านี้ทำให้เราหายจากความเจ็บปวดนี้ให้ได้ จึงได้เดินสามขาเข้าไปหาเขามอบลงในที่ใกล้ช่างไม้เห็นช้างมีเท้าบวมจึงตรงเข้าไปใกล้พบต่อไม้อยู่ที่เท้าแล้วใช้มีดคมกรีดราบต่อใช้เชือกดึงต่อออกบีบหน้องเอาแช่น้ำหมุนซะต่อมาไม่นานนักแผลก็หาย ด้วยการใช้ยาที่ถูกต้องเมื่อช้างหายเจ็บปวดจึงคิดว่าเรารอดชีวิตเพราะอาศัยช่างไม้ช้างจึงทำการช่วยงานพวกช่างไม้เมื่อช่างไม้จะนำไม้มาถากช้างก็ช่วยพลิข่หยทรงเครื่องมือมีมีดเป็นต้นให้กับพวกช่างไม้มันใช้งวงฟัน จับปลายเชือกหรือสายบันทัดในเวลาบริโภคอาหารพวกช่างไม้ต่างก็ให้ก้อนข้าวแก่มันคนละปั้นให้ถึงห้าร้อยปั้นอันหนึ่งช้างนั้นมีลูกขาวปลอดเป็นลูกช้างอาชาในเพราะเหตุ น, นั้นมันจึงคิดว่าเวลานี้เราก็แก่เท่าเราควรให้ลูก แกช่างไม้เหล่านี้เพื่อทำงานแทนเราหนังดีแล้วช้างนั้นจึงเข้าป่าไปแต่ช้างนั้นไม่ได้บอกแกพวกช่างไม้ในเรื่องนี้แต่ก็ได้เข้าป่าไปนำลูกมาแล้วแจ้งแกพวกช่างไม้ว่าช้างน้อยเชือกนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าพวกท่านได้ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าขอให้ลูกนี้ เป็นบำเหน็จค่าหมอของพวกท่านตั้งแต่นี้ไปลูกช้างนี้จะทำการงานให้พวกท่านแล้วจึงสอนลูกว่าดูก่อนเจ้าลูกน้อยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจงทำการงานแทนเราช้างมันกรันมอบลูกน้อยให้แก่พวกช่างหมายแล้วตัวเองก็เข้าป่าไปตั้งแต่นั้นมา ลูกช้างก็ทำตามคำของพวกช่างไม้เป็นสัตว์ที่ว่านอนสอนง่ายกระทำกิจการทั่วไปแม่พวกช่างไม้ก็เลี้ยงดูลูกช้างน้อยด้วยอาหารห้ารอยปันช้างน้อยทำงานเสร็จแล้วก็ลงแม่น้ำอาบเล่นแล้วก็กลับพวกเด็กช่างไม้ก็จับลูกช้างน้อย ที่งวงเป็นต้นเล่นกับลูกช้างทั้งในน้ำและบนบกธรรมดาสัตว์ชาติอาชาในทั้งหลายจะเป็นช้างก็ตามม้าก็ตามคนก็ตามย่อมไม่ถ่ายอุจจระหรือปัสวะลงในน้ำเพราะฉะนั้นลูกช้างจึงไม่ถ่ายอุจจระหรือปัสวะลงในน้า แต่ทายริมฝั่งแม่น้ำเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งฝนตกลงมาเหนือแม่น้ำคูดคืออุจจระของลูกช้างที่แห้งก็ไหลไปสู่แม่น้ำได้ติดอยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งที่ท่ากรุงพระนศีกระนั้นพวกกวานช้างของพระราชานําช้างห้าร้อยเชือก ไปด้วยประสงค์บ้าจะให้อาบน้ำช้างเหล่านั้นได้กลิ่นคูดของช้างอาชะไนเข้าจึงไม่กล้าลงแม่น้ำสักตัวเดียวชูหางพากันหนีไปหมดพวกกวนช้างจึงแจ้งเรื่องนี้แก่นายหัตตาจาย์พวกเขาคิดกันว่าในน้ำต้องมีอันตราย จึงพากันทำความสะอาดน้ำเห็นคูดของช้างอาชาในติดอยู่ที่พุ่มไม้ก็รู้ว่านี้เองเป็นเหตุในเรื่องนี้จึงให้นำถาดมาใส่น้ำขย้ำคูดลงในถาดนั้นแล้วให้รดจนทั่วตัวช้างทั้งหลายตัวช้างก็มีกลิ่นหอมช้างเหล่านั้น จึงลงอาบน้ำกันได้นายหัตถาจารย์ทูลเล่าเรื่องราวนั้นแกพระราชาแล้วกระาบทูลว่าขอเดชะพระองค์ควรสืบหาช้างอาชาในนั้นให้นำมาเตะพระชก้าพระราชาจึงเสด็จสู่แม่น้ำด้วยเรือขนานเมื่อเรือขนานแล่นไปถึงตอนบนก็บรรลุถึงที่อยู่ของพวกช่างไม้ ลูกช้างกำลังเล่นน้ำอยู่ได้ยินเสียงกลองจึงกลับไปยืนอยู่กับพวกช่างไม้พวกช่างไม้ถวายการต้อนรับพระราชาแล้วกล่าวทูลว่าขอเดชะหากพระองค์มีพระสงค์ด้วยไมย้เหตุใดจึงต้องเสด็จมาจะทรงส่งคนให้ขนไปไม่ควรหรือพระเจ้าคา้าพระราชาพรนาย เราไม่ได้มาเพื่อประสงค์ไม้หรอกแต่เรามาเพื่อต้องการช้างเชือกนี้พวกช่งางไม้ขอเดชะโปรโดให้จับไปเธินประชคาแต่ว่าลูกช้างไม่ปรารถนานจะไปพวกควานช้างจึงไม่สามารถจับลูกช้างนั้นได้พระราชาจึงรับสั่งตามว่าพนายช้างจะให้ทำอย่างไรหรือพวกช่งางไม้ขอเดชะ ช้างจะให้พระราชทานค่าเลี้ยงดูแก่ช่างไม้พระเจ้าพระราชาจึงรับสั่งว่าตกลงพนายแล้วโปรดให้วางกะหาปะนะลงที่ท้าวช้างทั้งสี่ข้างที่งวงและที่หางแห่งละแสนกะหาปะนะแม้ได้ให้ถึงเพียงนี้แต่ช้างก็ไม่ไปกรันพระราชทานผ้าคู่แก่ช่างไม้ทั้งหมด พระราชทานผ้าสาดกสำหรับนุ่งแก่ภรรยาช่างไม้แม้ได้ให้เพิ่มถึงเพียงนี้ช่างก็ยังไม่ไปต่อมาพระราชทานเรื่องบริหารสำหรับเด็กแก่เด็กชายหญิงที่เล่นอยู่ด้วยกันช้างจึงเหลียวไปดูพวกช่างเหล่าสตรีและพวกเด็กแล้วได้เดินไปกับพระราชา พระราชาทรงพาไปถึงพระนครรับสั่งให้ประดับพระนครและโรงช้างทรงให้ช้างกระทำประทักษินพระนครแล้วให้เข้าไปในโรงช้างทรงประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงทรงทําการอภิเศษขึ้นเป็นราชปานะทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นสหายของพระองค์พระราชทานราชสมบัติ กึ่งหนึ่งแก่ช้างได้ทรงกระทำการเลี้ยงดูเสมอด้วยพระองค์ตั้งแต่ช้างนั้นมาราชสมบัติในจุมพูตวิบทั้งสิน้นได้ตกอยู่ในเงื้อมือพระราชของพระราชาโดยสิ้นเชิงครั้นการเวลาผ่านไปอย่างนี้พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในคันของพระอัครมเหสี ของพระราชาพระองค์นั้นในเวลาที่พระนางทรงคันแก่พระราชาได้สวรรคตเสียแล้วพวกพญาช้างนั้นหากพึงรู้ว่าพระราชาได้สวรรคตเสียแล้วหัวใจของพญาช้างก็ต้องแตกทําลายไปนะที่นั่นเองดังนั้นพวกคนเลี้ยงช้างจึงบํารุงไม่ให้พญาช้างรู้ว่า พระราชาได้สวรรคตเสียแล้วฝ่ายพระเจ้ากรุงโกศลซึ่งมีพระราชาอาณาจักใรใกล้เคียงกันทรงสดัตบ่าวว่าพระราชาเมืองพระนศีสวรรคตแล้วจึงทรงดำริว่าในย่ว่าราชสมบัติกรุงพระนศีว่างผู้ครองจึงได้ยกกองทัพใหญ่ล้อมพระนคร ชาวพระนครพากันปิดประตูเมืองทรงสารถวายแก่พระเจ้ากรุงโกศลว่าพระอัครมเหสีของพระราชาของพวกข้าพระเจ้าทรงคันแก่พวกโหนทำนายว่าจากนี้ไปเจ็ดวันพระอัครมเหสีจะคลอดพระโอรสพวกข้าพระเจ้าจาักขอรบในวันที่เจ็ดจะไม่มอบราชสมบัติให้ ขอได้โปรดจงรอโดยชั่วเวลาเพียงเท่านี้พระเจ้ากรุงโกศลทราบดังนั้นแล้วก็ตกลงครั้นถึงวันที่7พระเทวีประสูติพระโอรสก็ในวันขนานพระนามมหาชนได้ขนานพระนามของพระโอรสว่าอลีนะจิตตราช จ, จุกุมนันเพราะพระราชโอรสทรงบันดาลให้จิตทอแท้ของมหาชน มีขวัญกำลังใจดีขึ้นตั้งแต่วันที่พระโอรสประสูติชาวพันาคอของพระองค์ก็สู้รบกับพระเจ้ากรุงโกศลแต่เพราะขาดผู้นำแม้จะมีกำลังต่อสู้มากมายเพียงไรเมื่อต่อสู้ไปก็ถอยกำลังลงทีละน้อยละน้อยพวกอาตุธพากันกราบทูลความนั้นแด่พระเทวีแล้วทูลตามว่า ข้าแต่แม่เจ้าเมื่อกาลังลดถอยลงอย่างนี้พวกข้าพเจ้าเกรงว่าจะแพ้สงครามมงคลหัดสหายของพระราชามีได้รู้ว่าพระราชาสวนคตและประสูตรพระโอรสและพระเจ้ากรุงโกศลเสด็จมาทำสงครามพวกข้าพเจ้าจะบอกให้พระยาช้างนั้นรู้ดีใหมพ่พระเจ้าค่ะพระเทวีรับสั่งว่าดีแล้วเราอามาตย์ จึงตกแต่งพระราโอรสให้บรรทมเหนือพระอูบุด้วยภูษาอย่างดีสเสด็จลงจากปราศาสตร์มีมัวมาดแวดล้อมสเสด็จถึงโรงพระยาช้างให้พระโพธิสัตว์บรรทมใกล้ๆพระยาช้างแล้วตรัสว่าดูก่อนพระยามงคลหัตถีพระสหายของท่านสวรรคตเสียแล้วพวกข้าพเจ้าไม่ได้บอก เพราะเกรงว่าท่านจะหัวใจแตกทำลายนี่คือพระโอรสแห่งพระสายของท่านพระเจ้าโกศลเสด็จมาล้อมพระนครต่อสู้กับพระโอรสของท่านไพรพลหย่อนกำลังท่านอย่าปล่อยให้พระโอรสของท่านตายเสียเลยจงยึดสมบัติมาถวายแกเ่เธอเถิดขณะ น, นั้นพระยามงคลอถีก็เอางวง รูปครัมพระโพธิสัตว์แล้วยกขึ้นปริสถานไว้เหนือกระพองรำให้ครัมครวญแล้วจึงวางโพธิสัตว์ให้บันทมบนพระชของพระเทวีแล้วออกจากโรงช้างไปด้วยหมายใจว่าจะจับพระเจ้ากรุงโกศลลำดับนั้นพวกกามาจึงสวมเกราะตกแต่งพระยาช้าง เปิดประตูปรนะกรอพากันห้อมล้อมพระยาช้างนั้นออกไปพระยามงคลหัตถีครั้นออกจากปรนละก ร, กรแล้วก็แผดเสียงโกลจนาดยังมหาชนให้หวาดสะดุ้งพากันหนีทำลายค่ายของข้าศึกคว้าพระเมาลีของพระเจ้ากรุงโกศลไว้ได้แล้วพามาให้หมอบลงณนะบาทมูลของพระโพธิสัตว์ รันหมู่ทหารเข้ารุมล้อมเพื่อจะฆ่าพระเจ้ากรุงโกศลพระยาช้างก็ห้ามเสียแล้วได้ถวายโอวาทว่าตั้งแต่นี้ไปพระองค์อย่าประมาทอย่าสำคัญว่าพระกุมาร น, นี้ยังเป็นเด็กแล้วจึงให้กลับไปตั้งแต่นั้นมาราชสมบัติทั่วชมบุรีก็ตกอยู่ในเงื้อมมือ ร, ราชกองพระโพธิสัตว์ ขึ้นชื่อว่าฆ่าศึกปัจจามิตรอื่นๆไม่สามารถจ ะ, ะเผชิญได้เลยพระโพธิสัตว์ได้รับการอภิเศกในเมื่อพระชนได้เจ็ดพรรษาทรงพระนามว่าอาลีนะจิตตราชทรงปกครองราชสมบัติโดยธรรมทรงบำเพ็ญทางไปสวรรค์นจนวาระสุดท้ายของพระชนชีพพระาศาสดา ทรงนำอดีตนี้มาเมื่อทรงบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณได้ตรัสพระกาถานี้ว่าเสนาหมู่ใหญ่อาศัยเจ้าอาลีนจิตมีใจรื่นเริงได้จับเป็นพระเจ้าโกศผู้ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติฉันใดภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกลัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งปรารบความเพียร เจริญกุศรธรรมเพื่อบรุนิพานอันกเกษมจากโยคะพึ่งบรุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยตทั้งปวงโดยลำดับก็ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรวบยอดแห่งพระธรรมเทศนาด้วยอมตะมานิพานด้วยประการจนีแล้วจึงประกาศสัจธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจึงทรงประชุมชาดก ในเมื่อจบสัจธรรมภิกษุผู้คลายความเพียรได้บรรลุพระอรหัตพระมารดาในครั้งนั้นได้เป็นพระมหามายาพระบิดาได้เป็นพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชพระยาช้างซึ่งช่วยให้ได้ราชสมบัติได้เป็นภิกษุผู้คลายความเพียรรูปนี้บิดาของพระยาช้างได้เป็นพระสาวรีบุตร ส่วนอาลีนะจิตตราชกุมารได้เป็นเราตตากดิีนแหละอาลีนะจิตตชาดก